ะเจริญพรทุกๆุกท่กทานธรรมะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเองเราพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งครูบาอาจาร ย, ย์เพื่อจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองที่เหลือนี่ต้องช่วยตัวเองต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัติ ภปฏิยัติเนี่ยผู้แสดงธรรมเขาะจะเตรียมหัวข้อมาส่วนธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเอาใจของผู้แสดงธรรมกับใจของผู้ฟังเอามาแลกกันมาเปิดใจต่อกันมาเรียนรู้ถ้าใจของเราไม่มีความพร้อมธรรมะมันขาดช่วงทันทีเลยมันไม่เหมือนปริยัตินะงั้นพวกเราฟังแล้วฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมหน่อย การปฏิบัติธรรมเราต้องรู้นะเราเป็นชาวพุทธทั้งทีเนื้อแท้ของพพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงของตัวทุกข์ท่านถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้ถ้าเรารู้ทุกข์แกมแจ้งไม่ไหร่จิตมันจะสลัดตัวออกจากทุกข์มันจะสลัดของมันเองไม่มีใครสั่งจิต ให้หลุดออกจากของทุกได้จิตจะเป็นของจิตเองเมื่อศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาของเราเนี่ยแก่รอบสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะปัญญาศิกขานี่ยก็คือการรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเรางปู่ดูลนท่านถึงสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมูทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นทุกนั่นเอง สิ่งที่เรียกวัตถุก็คือรูปนามคันห้าคือกายคือใจของเรานี่แหละส่วนยาบๆมันก็เห็นง่ายกว่าอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นเป็นกองทุกข์เนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าเงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงๆเนียจิตจะปล่อยวางกายก่อนปล่อยวางจิตทีหลังเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเราทรงภูมิธรรมชั้นที่สมเนี่ยจิตจะสลัดกายให้โลกแล้วคืนกายให้โลกงั้นกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายนะจิตจะไม่มีความบั่นไหวอีกต่อไปล้ สุดท้ายในะการปฏิบัติมันจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวเลยงั้นจะมาตัดสินกันแตกหักกันค้ามวัตตากันที่จิตดวงเดียวนี่ถ้าเราเข้าใจจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยก็คือการรู้ทุกข์แต่ก่อนที่เราจะรู้ทุกข์ได้นะเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตใจเราสะก่อนเบื้องต้นต้องมีศี่ห้าเอาห้าข้อพอ ล, ลนะละ แต่เป็นพระท่านรักษามากกว่านั้นก็ต้องรักษาเป็นพระนะถ้าศีลต่างพลอยนะภาวนาไม่ขึ้นจริงๆนะภาวนายังไงก็ติดขัดอยู่แล้วนะภาวนาไม่ได้กระทั่งนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะงั้นเป็นพระเนี่ยมางทีในเบื้องต้นนะภาวนายากนะคารวาะศีลห้าข้อเองแต่ห้าข้อต้องตั้งใจรักษาจริงๆโดยเฉพาะการมีสติรักษาจิตนมันเป็นศีลชั้นสูงเรียกว่าอินเสียสังวรศีล ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะมันเห็นรูปนะกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสิ่งที่มาสัมผัสทางกายเมื่อกระทบแล้วเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีสติไหมระลึกรู้ไหมถ้าเราคอยระลึกบ่อยๆนะอกุศลมันจะครอบจิตไม่ได้ถ้าอากุศลครอบกาจิตไม่ได้จิตมจะเป็นปกติปกติแบบไหนอะปกติของมนุษย์พวกเรานี้มีจิต ที่เรียกว่ามนุษย์นะมนุษย์ว่าผู้มีใจที่ฝึกอบรมได้มีใจสูงนะนั้นใจของมนุษย์เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วนี่บางคนไม่เข้าใจตรงนี้เวลาภาวนาเนี่ยทิ้งใจมนุษย์ไปไปสร้างใจของรลมขึ้นมาไปทําใจนิ่งๆว่างๆใจอย่างนั้นไม่ได้เหมาะอาการภาวนาในขั้นเจริญปัญญาจริงจังอะไรเนะียมันเหมาะกับคนที่เจริญได้แล้วนะทําได้แล้วแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนไปต่องั้นทำง่าย ใจมนุษย์ธรรมดานี้ดีที่สุดนั้นอย่าไปทําลายใจของมนุษย์ธรรมดาใจมนุษย์ธรรมดานี้แหละคือใจที่มีศีลมีธรรมงั้นศีลเป็นปกติเลยเป็นใจที่ธรรมชาติที่สุดเลยเมื่อไหร่กิเลสเข้ามาสู่ใจเรานะใจเราก็หยาบช้าสามานุขขึ้นมามันไม่ใช่ใจมนุษย์มันเป็นใจในสัตว์ในอบายภูมิอย่งความโกรธครอบงํานะความโกรธเศร้าหมองก็ครอบงําเนี่ยใจเราเป็นสัตว์นรกเมื่อไหร่ โทสะเกิดขึ้นนะจิตมันจะมีลักษณะที่เศร้าหมองนะมันจะเป็นทุกข์เวมีโทมนัสโทมนัสเวทนาเกิดอย่างรุนแรงนโทสะมันเกิดด้วยนะงั้นเวลาที่จิตเราโลภตัวเราเป็นคนแต่ใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเราเป็นเปรตไปบาทีใจเราหลงพุงสร้างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเราเสียสภาพความเป็นมนุษย์ไปเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะที่ใจเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเซลจัดเลยเนี้ยเราเป็นสัตว์อีกชนิดนึงนะเป็นพวกอสุรกายพว้นี้แผดส่วนบุญยังไม่รับเลยเซลจัดจริงๆเนะี่ยใจของมนุษย์ดีที่สุดนะอย่าไปดัดแปลงใจมนุษย์นะให้มันผิดธรรมชาติใจของคนธรรมดาที่ไม่ถูกกิเลสคลรอมงําอันนั้นแหละคือใจของมนุษย์ กิเลสมันเข้ามาครอบงาได้เมื่อเราไม่มีสตินะขาดสติและวกิเลสจะเข้ามาถ้าเรามีสติอยู่กิเลสจะมาไม่ได้กิเลสกับสติจะไม่เกิดด้วยกันนะต่างคนต่างเกิดเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นเราพยายามฝึกสตินะฝึกสติรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราบ่อยๆนะคอยรู้บ่อยๆสติมันก็เป็นอนัตตาสั่งให้มันเกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเกิดเอง เมื่อมีเหตุของสติสติมีอะไรเป็นเหตุสติมีการที่จิตเนี่ยจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเราจะจำได้แม่นจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นเนยจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนานๆจิตจะเห็นสภาวะทีหนึ่งจิตจะจำสภาวะไม่แม่นเพราะฉจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติของเราที่จะพัฒนาจิตของเราเนี่ยจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ย มันเริ่มต้นมาจากการฝึกให้มีสติก่อนหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมครูบาอจารย์องคนะ์นั้ะหลวงพ่อคำเขียนไม่รู้จักท่านนะแต่ท่านเมตตาหลวงพ่อตอนหลวงพ่อโดนคนด่านะท่านคอยเทียงให้เหมือนกันไปกราบท่านไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาคราวแรกที่ไปเมือท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยไปได้แล้วไปได้แล้วมีคนสืบทอดแล้วมีคนสืบทอดของการเจริญสติท่านเล่าให้ฟัง บอว่าท่านเปรเทศที่หนึ่งนะเขานิมนต์เปเทศท่านก็สอนเรื่องสติพอเทศจบเนี่ยคนจัดมาต่อว่าว่าทําไมท่านเทศแต่เรื่องสติทําไมไม่เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาบ้างท่านหัวเราะนะท่านบอกเขาก็พูดถูกของเขานะ่าอาจารย์ประโมทเราก็ถูกแบบเรานะว่ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาหายหมดเลย พ้ะจิตมันจะเป็นอกุศลศีลสมาธิปัญญาเป็นกุศลทั้งนั้นงนั้นทำไงสติจะเกิดสั่งให้เกิดไม่ได้บางทีเขียนป้ายไว้ข้างขวดเหล้านะว่าดื่มสุราทําให้ขาดสติที่จริงไม่ดื่มก็ขาดเหมือนกันนะไม่มีสติหรอกคนในโลกเนี้ยะงั้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะพอตายลงเนี่ยจะไปอบายนะเนี่ยประมาทส่วนใหญ่จะไปอบบายเลยจิตไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกยกเว้นพวกเราอย่างเนี้ย มีศีลมีธรรมมาทำทานมาถือศีลมาตั้งใจฟังธรรมมาลงมือปฏิบัตินะได้ประโยชน์ของธรรมะนะใจไม่ห่างอบายไปการที่เราจะฝึกสติให้เกิดต้องตั้งใจแบ่งเวลาเอาตัวเองสักหน่อยวันหนึ่งนะสบนาทีย0สิบนาทีเบื้องต้นไม่ต้องมากนี่เป็นอุบายของหลวงพ่อนะเฝึกไปสักช่วงหนึ่งจะเพิ่มเวลาไปโดยไม่ทันรู้ตัว เวลาจะเพิ่มเพิ่มบางคนภาวนาได้วันหลายหลายหชั่วโมงนะเราเอาเวลาสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี่แหละมาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็หัดดูสภาวะไปะหัดรู้สภาวะไ ป, นะ ส, ภะไปสภาวะอะไรก็ได้นะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวเนะี่ยพอจิตใจเราหลงไปที่อื่นนะมันจะลืมการหายใจนะมันลืมการหายใจเราเคยหายใจจนชินแนละ้ว มันลืมไปได้แวบเดียวมันจะกลับมารู้สึกว่าโอ๊ยลืมหายใจแล้วต้องมาหายใจใหม่หรือเราเคยพุโทโธเราก็หัดพุดโทโธพุโทโธของเราไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราพุโทโธพุโทโธนะใจเผลอไปแล้วรู้ทันพุโทโธพุโทโธใจเผลอเรารู้ทันคอยรู้ทันใจที่เผลอไปเผ <anthropology> ลอไปนะรู้บ่อยๆนะถ้าเรารู้ บ, บ่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะที่เผลอได้พอเผลอปับ๊บมันจะรู้ตัวจิตแจ่มจะมกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะเราจะมาฝึก จนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ลืมเนือ้อลืมตัวตลอดเวลานะนั้นทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วจิตมันลืมตัวเองนะรู้สึกจิตมันลืมอารมณ์กรรมฐานไปรู้สึกไปอะไรก็ได้นะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดนะดังนั้นถ้าใครบอกว่าหายใจดีที่สุดพุดโทโธดีที่สุดฟองยุบดีที่สุดนะขยับมือทําจังหวะดีที่สุดนั่นเรื่องของคนภาวนาไม่เป็นนะมันอยู่ที่จรินิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องดูตัวเราเองว่าใช้กรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้เร็วนะรู้สึกตัวได้บ่อยเราก็ใช้กรรมฐานอนนั้นอย่างหลวงพ่อแต่เด็กๆนะฝึกกับท่านพ่อหลีท่านสอนให้รู้ลมหายใจใหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกฝึกอยู่เรื่อยๆต่อมาเวลาใจมันเผลอไปใจมันเผลอแล้วมันลืมร่างกายลืมการหายใจนะสติมันะระลึกได้เองนะจนกะระทั่งระลึกไปะระลึกไปนะจนกระทั่งจิตนี้มันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา หลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมเลยรู้ว่าคาวาะทําได้ไม่ใช่คารวะทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องเป็นพระนะคารวะาก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วคาวาะก็เป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชนี่แหละค่อยๆฝึกเอาฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะสภาวะอะไรเกิดบ่อยหัดรู้สภาวะอันนั้นบ่อยๆ อ, นะอย่างบางคนขี้โมโหทํากรรมฐานอะไรไม่ได้โมโหลูกเดียวเลย่นะทําอะไรก็โมโหมองเห็นก็โมโหได้ยินก็โมโห ได้กลิ่นก็โมโหได้ได้รสก็โมโหะคิดอะไรก็โมโหโมโหมากๆนะเราก็หัดรู้สภาวะโมโหเดี๋ยวก็โมโหเกิดขึ้นมาโมโหหายไปโมโหเกิดขึ้นมาโมโหหายไปต่อไปเวลาจิตมันขุดมัวนะจิตมันโมโหขึ้นนิดเดียวนะสติมารรึกได้เองมันรู้ทันปั๊บขึ้นมามันจะเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นจากภายในเราจะเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นโดยอัตโนมัติภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเกิดจากเรารู้ทัน เราเข้าไปเห็นสภาวะจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดขึ้นเองนี่พอสติเกิดขึ้นเองแล้วเนี่ยถ้ามีกรรมฐานอันนึงที่หลวงพ่ออยากแนะนำให้พวกเราลองทำดูนี่กรรมฐานที่ง่ายๆนะถ้าทำแล้วเนี่ยสติจะเกิดศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดกรรมฐานอันเดียวนี้แหละทำทีเดียวทะลุโลกเลยนะทะลุโลกจริงๆนะทะลุหลุดออกจากโลกได้เลยนะไม่ใช่บ้าสุดขีดไปเลยนะ ทำกรรมฐานอะไรนะสังเกตจิตของตัวเองไหมถ้าไมมาให้เราสังเกตจิตเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้นะเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะแต่ละคนนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากเลยเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตนะพวกความเห็นยึดถือในความเห็นรุนแรงฆ่ากันตายก็เพราะความเห็นไม่ตรงกันเนะี่ยเยอะเลยนะโกรธกันใอ้ชนชาตินี้ไม่ดีชนชาตินี้ถึงจะดีอนะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ดีพวกนี้ดีเราดีเขาไม่ดีอนะไรย่างเงี้ย พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะี่รกมาฐานที่เหมาะนะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือการดูจิตใจของตัวเองนะนี่กรรมาฐานดูจิตเนี่ยดูอะไรได้บ้างดูได้สารพัดเลยนะมันจะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้นะเพราะตัวจิตเองไม่มีรูปรักษไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูได้เลยเราก็จะดูผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยเราดูผ่านความสุขจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปเกิดนะจิต เฉยๆหรือจิตที่มีความทุกข์ขึ้นมาแทนจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเงี้ยถ้าดูอย่างนี้น้องก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเกิดแล้วดับไปหรือดูจิตดีจิตชั่วก็ได้ถ้าเราเป็นคนจิตชั่วนะจิตโลภจิตเกิดจิตหลงตัวไหนมีบ่อยๆหัดรู้บ่อยๆเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆต่อไปเวลาสภาวะเกิดแล้วเราจะรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ตรงที่รู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้ว่าสติมันเกิดเองแล้วค่อยๆฝึกไป แล้วมันได้อะไรนะแต่ว่าตัวที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราลองเล่นดูนะคือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปการรู้ทันจิตที่เคลื่อนมอนอย่างที่หลวงปูด่ดนลสอนนะจิตส่งออกนอกจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยเหมาะกับพวกดูดูจิตตัวเองนะถ้าเข้ามาตัวนี้ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนได้เนี่ยนะจะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบเลยนะในเวลาอันสั้นเองหรืออย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือ หลวพ่อเรียนสขยับมือไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะแต่เผลอเรารู้ทันะเนี่ยหลวงพ่อไปคุยกับหลวงพ่อคําเขียนนะตรงกันเป๊ะๆเลยไม่ใช่ว่าห้ามไม่บังคับจิตเลยถ้าบังคับจิตจิตจะเครียดตกจากความเป็นมนุษย์ล้ผิดมนุษย์ล้จิตเครียดเครียดจิตเครียดเียเป็นจิตโทสะนะเป็นจิตของสัรรนรกนะเพานั้นภาวนาเราเครียดเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยตกมากๆบางคนบ้าเลยนะงั้นเราขยับมือยเงี้ยเราคอยรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทัน ดูท้องผ่องยุบก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันนะมีพระองค์หนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อท่านอายุเยอะละนะเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสักทีหลวงพ่อบอกให้ท่านคอยรู้ทันเวลาท่านทํากรรมฐานนะจิตท่านจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานดูลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่หลมทุกทีเลยบอกว่าให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ใช่บังคับว่าห้ามเคลื่อนบอก่านี้ท่านก็ทําไม่ได้วันนึงท่านไปกวาดวัด กวาดกวาดกวาท่านเห็นวนะ่าจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้ใบไม้ที่กวาดอยู่นี่แหลพะพอเห็นจิตว่าไหลไปอยู่ที่ใบไม้นะภาวะแห่งความตื่นก็ดีดผางขึ้นมาเลยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาฉับพลันเลยงั้นถ้าเมื่ อ, อไหร่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่รู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นจิตที่เคลื่อนไปเป็นจิตที่หลงนั่นเองส่วนใหญ่หลงไปคิดนั่นแหละหรือบางทีก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริ้มรถหลงไปรู้สัมผัสทางกาย อย่าเวลายุงมากัดนะจิตเราฉกไปที่ตรงที่ยุ่งกัดส่วนใหญ่ไปดูยุงต้องดูยุงซะก่อนนะจัดการมันก่อนแล้วค่อยมาดูตุ่มที่มันกัดเอาไว้ะต้องจัดการเนี่ยจิตมันจะฉกออกไปเรื่อยๆให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพอจิตจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นต่อไปพอจิตเคลื่อนสติจะเกิดเองเพราะจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วนี่ตรงที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตมีโมหะ จิตมีความฟุ้งซ่านสติเกิดเมื่อไหร่จิตไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันเกิดอัตโนมัตินะและถ้าจิตไม่มีโมหะเนี่ยราคะและโทสะจะเกิดไม่ได้เมื่อราคะโทสะไม่เกิดเนี่ยนะไม่ผิดศีลหรอกจิตจะเป็นปกติเมื่อจิตไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำจิตตัวนั้นเป็นจิตปกติของมนุษย์ธรรมดาละยังไม่ได้ทรงชาตถ้าทรงชาตเนี่ยมันเป็นจิตอีกแบบหนึง่งเป็นจิตที่ดีเหมือนกันนะแต่เป็นอีกแบบหนึง่ง ดังจิตที่ปกติของมนุษย์เนี่ยแค่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะรู้บ่อยๆสติเกิดต่อไปรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้พอมันเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บความไม่เคลื่อนก็จะเกิดขึ้นความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นสภาวะที่จิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นอันนั้นแหละคือตัวสมาธิแท้นะถ้าตั้งมั่นโดยบังคับให้ตั้งมั่นประคองเอาไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ของจริงนะพวกเราต้องระวังนะ บางคนเขาสอนสอนกันนะให้มีจิตผู้รู้เราก็รู้อยู่ทั้งวันเลยนะทื่อๆอยู่เงี้ยทำหน้าให้ดูจิตแบบ น, นี้จะไม่เดินปัญญานะจิตจะทื่อๆซื่อบื้ออยู่นั่นเองรู้ตัวอยู่เฉยๆแต่จะไม่เดินปัญญาถามว่าเป็นจิตกุศลหรืออกุศลได้จิตผู้รู้ทื่อๆเนี้ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะเรียกว่ามหากุศลจิตญนะาณวิประยุต ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะั้นไม่ใช่ว่าจิตที่เป็นจิตผู้รู้เนี่ยจะดีเสมอไปบางดวงไม่มีปัญญาเราซื่อบื้อไปอย่างนั้นเองเพราะฉนั้นต้องไม่ไม่ประกองนะเอาแค่รู้ทันที่เขาเคลื่อนและภาวาแห่งความตื่นตื่นขึ้นเองอ น, นั่นถึงจะใช้ได้นะเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อมีแต่ของอัตโนมัติหมดเลยเรียนเรื่องสติก็ฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดหัดดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้ต่อไปจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้สติอัตโนมัติจะเกิดนะ แล้วพอสติอัตโนมัติมันรู้จิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดแล้วพอสมาธิอัตโนมัติมันเกิดนะสีอัตโนมัติมันก็มีขึ้นมาแล้วเพราะขณะนั้นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าประคองจิตเอาไว้เนี่ยนะมันเจือโลภะงั้นพวกพรหมทั้งหลายนะอย่าว่านินทาเลยนะแต่จริงๆอ่ะจิตยังมีราคาอยู่มีรูปราคามีอรูปราคานะยังเจือราคาอยู่ แต่มันเป็นราคาสูงนะมันไม่ใช่ราคาในการมราคาถ้าการมราคาเนี่ยจิตตกสู่อาบายภูมิทันทีเลยนะแต่นี่เป็นรู ป, ป ร, ราคารู ป, ป ร, ราคาเป็นจิต ร, ราคาอย่างสูงนะแต่ถามว่ามีราคาไม่บริสุทธิ์จริงไหมไม่บริสุทธิ์นะยังเจือปนด้วยกิเลสอยู่งั้นเราคอยหัดรู้นะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้สติที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมาสมาธิที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมา พอจิตใจอยู่กับเน้อกับตัวไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตเป็นมหากุศลจิตตัวจริงนะแล้วก็ตัวนี้รับรองว่ามันเป็นปกตนะิมันเป็นปกติโดยตัวของไม่เองมันมีศีลอัตโนมัติเรียนะอินทรีย์อสังวรศีล น, นะแล้วเป็นศีลที่พระอริยะชมเฉยเพราะปฏิบัติแล้วเขาใกล้เคียงความเป็นพระอริยะเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ศีลลำบากตั้งออกตั้งใจถือไปเรื่อยนะถือไปถือไ ป, อไปแล้วภูมิใจเนี่ยบางคนไม่กินเหล้าตลอดพรรษาภูมิใจนะ กูเก่งกูเก่งไอ้ซื้อสีอย่างนี้ไม่ใช่ศีลวิสุทธ์นะสีรวิสุทธ์เนี้ยต้องเป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะถ้าถือสีแล้วเพิ่มกิเลสเนี้ยก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีทามสมาธิเพิ่มกิเลสก็ไม่ใช่จิตตาวิสุทธนะ์ดูเจริญปัญญาแล้วไม่ได้ลดละกิเลสนะก็ไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธนะ์ไม่ใช่เลยเนี้ยค่อยๆหัดรู้ไปหัดรู้ทานจิตที่เคลื่อนลองทดสอบดูต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึง่งห้ามคิด ห้ามทุกคนคิดนะคิดหรือยังเห็นไหมมันไปคิดได้เองเนี่ยไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้พอจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหรือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเคลื่อนไปอยู่กับพุโทโธรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆ ในการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนอกจากจะได้สตินะได้สมาธิได้ศีลมันจะได้ปัญญาแบบไหนเห็นไหมจิตเคลื่อนได้เองเห็นไหมจิตตั้งมั่นอยู่ช่วคราวแล้วจิตก็เคลื่อนไปเดี๋ยวก็จิตจะไปเกิดที่ตาจิตเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้เคลื่อนไปผู้หลงไปก็ไม่เที่ยงนะนี่คือการเห็นความจริงของจิตนะหรือเราเห็นว่ามันจะเคลื่อนมันก็เคลื่อนได้เองเราไม่ได้เจตนาะอย่างมันจะคิดมันก็คิดได้เองไม่ได้เจตนาะหัดดูไปนะจนเห็นการทํางานของมันเราจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรียกว่าอนิจจังตรงที่ว่ามันเปลี่ยนไปเองเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาะเนี่ยหัดดูอย่างนี้ นี่คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะง่ายๆเลยงั้นเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไวสนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ในความว่างๆแล้วรู้ทันหรือหัดรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันขยับมือทำจังหวะอย่างลมพ่อเทียนก็ได้นะขยับมือไปไม่ได้ห้ามจิตนะ แตถ้าจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือก็รู้ทันไม่เดินจงกรมก็ได้นะจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งทั้งตัวเลยก็ได้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวทั้งตัวเลยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยคอยรู้ทันสภาวะที่จิตเคลื่อนไปแบ่งเวลาแว้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีฝึกทุกวันทุกวันอย่าละเลยถ้าทําได้อย่างนี้นะไม่นานหรอก ภาวะแห่งความตื่นมันก็จะเกิดขึ้นมีสติขึ้นมาะแล้วใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือภาวะแห่งสมาธิแล้วก็จะเห็นนความเกิดดับเห็นจิต น, นั่นแหละจิตอะไรที่เกิดกดับเพราะจิตตัวรู้นี่นแหละเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งผู้คิดกับผู้เพ่งเราก็เคลื่อนเหมือนกันนะแต่ผู้คิดเนี่ยเคลื่อนไปลงไปคิดไปทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้นะ ตรงขณะที่จิตเคลื่อนไปหลงไปคิดนะจิตเป็นอกุศลแต่ไปคิดแล้วไปคิดเรื่องดีจิตเป็นกุศลก็ได้ดันนกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้นะไม่ได้เกลียดอกุศลหรอกแ้าคอยรู้ทันสภาวะของจิตใจเรื่อยๆรู้อย่างนี้ยากไปไหมเทศเท่านี้ใครไม่รู้เรื่องยกมือซิมีไหมไม่ต้องอายนะเรียนธรรมะอย่าอายรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไมแน่ใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อถามนะเอาคนไหนดี ทำไมหลบมาะผู้รู้เรื่องหลบตาวุบบ้า บ, บุบบนะไม่แน่จริงไหนเมืนะ่อกี้สังเกตไหมตอนที่หัวเราะใจเคลื่อนไปไหมมันเคลื่อนไปไหนส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิตนะมันลืมตัวเองเนี่ยหัดรู้สภาวะที่จิตเคลื่อนรู้บ่อยๆไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะหลวงพ่อตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อหลีฝึกอนาปน า, า, าสติตอนนั้นเจ็ดขวบ เด็กเจขวบฝึก ง, ง่ายเพราะไม่มีมารยาภาวนาะซื่อๆครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าฟูดหายใจออกโทรนับ 1, หนึ่งหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทรนับสองนับไปเรื่อยๆถ้าให้นับถึงสิบนะเราก็มาเก้าแปดเจดหกห้าแบบปล่อยเทีย่ยวดหลวงพ่อเด็กนับถอยหลังไม่เป็นนับแล้วอึดอัดแล้วก็พลิกแปงนะนับไปถึงร้อยเลยหนึ่งถึงร้อยแล้วก็หนึ่งถึงร้อยใหม่นะฝึกอย่างนี้ใจสบาย หายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับไปเรื่อยๆเพราะจิตมันเริ่มสงบนะการนับนี่หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโธพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงอากาศมันมีแสงเนี่ยดูไปดูไปร่างกายหายไปนะพอไม่มีกายเหลือแต่ใจดวงเดียวถัดจากนั้นพอกลับมามีกายเนี่ย มันจะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยขวนละ่านกันตั้งแต่วันนั้นเนี่ยกายกับใจแยกกันตลอดเลยมันแยกรูปแยกนามอัตโนมัติขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเาเคยภาวนาจนร่างกายหายแต่ถ้าภาวนานแล้วร่างกายยังอยู่นะมันยังแยกไม่ออกเดี๋ยวไปแยกวิธีอื่นนี่หลวงพ่อหัดอย่างนี้หัดไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะรู้ทันนะลมค่อยตื้นตื้นเป็นคนดูอยู่ลมค่อยตื้นต้นเป็นแสง จิตเคลื่อนไปที่แสงตอนเด็กๆเนี่ยจิตเคลื่อนไปที่แสงแล้วคเนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะก็ตามแสงไปดูนะอยากไปดูจิตมันจะไปอย่างเนี้ยแต่ว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไปเห็ น, นเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะจริงหรือไม่จริงเราพิสูจน์ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยแต่หลวงพ่ฝึกเลยได้นะ ฝ, นะฝึกไปฝึกไปมันไม่เกิดปัญญา นะมันไม่เกิดปัญญามันสงบอยู่เฉยๆจินเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาเนี่ยพยายามไปอ่านพระไตรปิฎกพยายามอย่างน้นพยายามอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนเรื่องพิจารณา ก, กายมาพิจารณากายบ้างลองดูเพื่อจะเกิดปัญญาดูลงไปที่ผมนะผมมันหายไปเลยเพราะสมาธิเราแรงเห็นหนังศีสษะดูหนังศีสะก็หนังศีสะหายไปนะเปิดไปเลยเห็นหัวกะโลก ดูหัวก็หลอหัวขาดไปเห็นตัวนะดูตัวเนี้ยเนื้อหนังหายเหลือแต่กระ ด, ดูกดูกระดูกนระเบิดมันระเบิดออกไปกลายเป็นก้อนกลวดเล็กๆดูต่อไปอีกกลายเป็นแสงสุดท้ายมันกลายเป็นคลื่นแสงสลายตัวกระจายกระจายไปหมดมันไม่เห็นมันจะไปไหนเลยนะรู้สึกว่ามันไม่สะใจการดูกายนมันมีเท่านี้เหรอไม่สนุกใจนะไม่อยากดูไม่ชอบจนกระทั่งอายุยี่สิบเก้านะเจอหลวงพู ด, ดุล หลวงปู่ ด, ดูนสอนให้ดูจิตตัวเองท่านไปหาท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเริมตาขึ้นมาท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองแล้มาหัดดูจิตที่แรกไม่เข้าใจไปประคองจิตเอาไว้ดูจิตก็คือจะต้องดูไม่ให้คลาดสายตาคิดอย่างนี้นะฉะน้นจิตหลงไปจิตอะไรนี้คอยแก้จิตไปจับอารมณ์คอยแก้จนกระท่านกลับมาเป็นตัวรู้ ก็กลับมาเป็นตัวรู้เฮ้ย hey, นี่มันตัวเก่าที่เราเคยได้มาแต่เด็กแล้วนะมันก็กลับมาที่เก่าอีกเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่แล้วลนะ่ะแต่ว่าเฮ้ย hey, หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราก็จ้องรักษาจิตผู้รู้อยู่ตลอดไม่ใชไ่ไปถามท่านใหม่แล้วถ้านละทาผิดแล้วนี่ไปแทรกแสงจิตแทรกแสงอาการของจิตนะจนจิตมันเป็นผู้รู้นิ่งๆซื่อบื้ออยู่จิตมันมีสภาวะที่ต้องไม่เที่ยงดันไปฝึกสเสถียงเลยจิตมันจะต้องเป็นทุกข์ดันไปฝึกเสถียรเลย จิตมันเป็นอนาตตาบังคับไม่ได้กูเก่งกูบังคับได้ให้ส่งตัวเต็นดวงอยู่อย่างนี้แหละรักษาได้มันผิดนะท่านให้บอกท่านบอกเลยว่าทำผิดละไปดูใหม่ให้ไปดูไม่ได้ให้ไปแทกแสงมันึกได้คาว่าดูคำว่าดูเนี่ยนะเหมือนเราดูหนัง เ, เราไม่ใช่ผู้กํากับหนังไม่ใช่ผลเขียนบทใช่ไหมไม่ใช่นักวิจารณ์หนังหนังมันเป็นยังไงก็ดูอย่างที่มันเป็น มาดูจิตดูใจปล่อยให้จิตทํางานคราวนี้ยเราจะเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นผู้บังคับจิตอีกต่อไปล้เราจะให้ให้จิตมันทํางานไปแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังะเดี๋ยวจิตทําอย่างนั้นจิตทําอย่างนี้เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็โลบจิตก็กลัวจิตก็หลงเนี่ยเห็นมันหมุนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดูอยู่ไม่นานนะจิตมันก็เข้าใจแล้วอ่ะ มันเกิดแล้วมันดับหมดทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยตัวจิตเองที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะีตัวผู้รู้เองก็เกิดดับถ้าเราภาวนาแล้วผู้รู้ไม่เกิดดับนะรีบมาปรึกษาด่วนเลยนะอันตรายแล้วนะถ้าเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิเลยนะผู้รู้เองก็เกิดดับไม่รักษามีอยู่แต่ไม่รักษาเนี่ยต้องกล้าหาญขนาดนี้นะมีอยู่ขึ้นมาได้โดยที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละตัวรู้มันจะเกิด ได้ตัวรู้แล้วไม่รักษาก็เห็นอีกเ ด, เดี๋ยวก็เคลื่อนอีกเดี<ๆ>๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้ฝึกไปอย่างนี้มีภาษาไทยอยู่คำหนึ่งนะคําว่าเรียนรู้เรียนด้วยการรู้นะดีที่สุดเลยถ้าเรียนคิดเอาเนี่ยไม่ได้เรื่องนะ <laughs> เรียนจัดการเนี่ยไม่ได้เรื่องเรียนด้วยการรู้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเอาทุกคนลองยิ้มหวานยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวาน เหมือนมีหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกหรือสาวมาบอกรักเราเนี่ยยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มจะต้องเป็นธรรมชาตินะยิ้มหวานหวานให้ใจมันคลายออกอย่างเวลาที่เรายิ้มตามธรรมชาติเนี่ยใจจะคลายตัวออกนะเหมือนดอกไม้บานยิ้มให้ใจเราเหมือนดอกไม้บานได้ไหมดอกไม้บานยามเช้ายิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เอาละจะเริ่มยิ้มแล้ว อย่างนี้ไม่ได้เลยนะตอนเนี้หัวเราะรู้สึกไหมร่างกายหัวเรารู้สึกแค่นี้เองถ้าขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับมือไม่ใช่เพ่งมือนะไม่ใช่ขยับมือกูเพ่งแหลกเลยใจกูกูก็ทื่อๆนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันผิดธรรมชาติไม่ใช่ใจมนุษย์แล้วนะใจดวงนั้นผิดปกติของมนุษย์ไปแล้วใช้ใจธรมธรมดาใจธรรมดาเอาใหม่ยิ้มหวานใหม่ เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบสุขาปฏิปทานั่งยิ้มอ้าวบอกให้ยิ้มกับหัวล้ออีก น, น่าเป็นไปหน่อยเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะรู้สึกไหมต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นรู้สึกไหมตัวอะไรนั่งอยู่แค่รู้สึกนะเหมือนที่เรารู้สึกตอนที่ยิ้มเราไปยักหน้าสิลองดูรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเส้นไหวไหมรู้สึกด้วยความรู้สึกธรรมดาแค่นี้เองนะอย่าเกินธรรมดานะ ถ้าเกินธรรมดาผิดธรรมดาไปไม่ใช่ของจริงแล้วจะเครียดจะรู้สึกไปอย่างธรมธรมดาธรรมดาลองขยับมือขยับยังไงก็ได้นะอย่าไปตีเื่งข้างๆก็แล้วกันนะรู้สึกไมมร่างกายมันเสล่นไหวแค่รู้สึกนะคาว่าแค่รู้สึกเนี่ยพอดีละถ้าว่าเพ่งมือไว้เพ่งไว้จิตจะไปจ่ออยู่ที่มืออันนี้ใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นถ้าเราแค่รู้สึกอยู่ ตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายยิ้มเวลาต่อไปโกรธขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายทำหน้าตาน่าเกลียดนะฮารู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างนี้แล้วได้อะไรนะรู้สึกอย่างนี้แล้วต่อไปจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบขันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้นั่งอยู่ก็ทุกนะเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา มันจะยิ้มมันจะไปยักหน้ามันจะอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้ามันเหมือนรุดยนต์ตัวหนึ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าแล้วมันเป็นตัวที่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยภาวะที่ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะถ้าเรารู้สึกโลที่กายเราจะเห็นความจริงของกายกายเนี่ยความจริงที่เห็นง่ายคือทุกข์กับอนัตตาดูอันนี้จังยากนะดูกายดูทุกขังดูง่ายเราหายใจเข้าสิหายใจเข้ายาวๆ แล้วดูว่าทุกข์หรือสุขเราหายใจออกยาวๆซิทุกข์หรือสุขนึกออกหรือยังว่าที่เราหายใจเนี่ยนะเพื่อหนีทุกข์เราหายใจเข้าแล้วเราก็ทุกเราก็หายใจออกหนีทุกข์หายใจออกแล้วก็ทุกข์เราก็หายใจเข้าหนีทุกข์เรานั่งอยู่แล้วทาไมเราต้องขยับก็เพราะว่าหนีทุกข์ทไมต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องปิดอิริยบถก็เพราะว่าหนีทุกข์ เนี่คอยรู้สึกอยู่ในกายมากมากนะจิตใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นร่างกายทํางานเนะี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าจิตยอมรับตรงนี้ได้นะต่อไปจิตจะคลายความยึดถือในร่างกายร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แต่เป็นตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเป็นตัวทุกข์เจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะมันเป็นตัวทุกข์ตาย มันจะไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเลยนะเพราะตัวทุกข์ตายสมน้ําหน้ามันใช่ไหมมันจะไม่หวั่นไหวหรอกเนี่ยแล้วัดมาดูจิตใจมาเดินปัญญาต่อนะดูจิตดูใจต่อแด้เห็นเลยจิตใจเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขณะ น, นี้ใครมีความสุขยกมือซียกมื อ, มอใครมีความสุขยกมือใครมีความทุกข์ยกมือคนเดิมอย่ายกนะ มันต้องไม่เกิดด้วยกันหรอกนะใครเฉยๆยกมือสิไม่สุขไม่ทุกข์ใครไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยๆก็ไม่รู้มีไหมไม่มีเลยเห็นไหมทําไมไม่มีเลยโถง่ายๆใครๆก็รู้ขนาดนี้ยใจมีความสุขหรือใจมีความทุกข์รู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนเห็นไหมหรือใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยๆรู้ได้ไหมก็รู้ได้ทุกคนเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ย แล้วต่อไปมันจะเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุ ก, ก็ไม่เที่ยงนะเฉยๆก็ไม่เที่ยงหรือบางคนขณะ น, นี้ใครพอใจยินดีพอใจที่ได้ฟังธรรมมีไหมใครงงมีไหมงงอย่าหลอกกันนะหลอกยากนะเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ยากอะไรงงรู้ว่างงนะสบายใจรู้ว่าสบายใจ รุ่มใจหรือว่ารุ่มใจนะดีใจเสียใจรู้ทันไปอย่างนี้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองด้วยใจที่ธรรมชาติธรรมดานะแต่ถ้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแบบตัวแข็งแข็งทื่อๆใจทื่อๆมันจะไม่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงมันจะทื่อๆไปหมดใช้ไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละแล้วรู้ทันร่างกายนะเห็นร่างกายมันทํางานไปนะเห็นร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนไปสุดท้ายจะเห็นมีแต่ทุกข์ เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกมีแต่ของไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตใจทํางานไปต่อไปก็จะเห็นนะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงดูไปจนเห็นะไม่มีอะไรเที่ยงสักตัวเดียวตรงที่เราดูจิตดูใจเนี่ยหลวงพ่ออยากเตือนพวกเราต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งบางคนดูจิตไม่เป็นนะไปดูจิตแล้วตัวจิตเนี่ยทื่อๆนิ่งๆอยู่ ทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดแต่จิตเที่ยงมันเหลือจิตเที่ยงอยู่อย่างเดียวนะถ้าเหลือจิตเที่ยงอยู่อย่างเดียวก็ยังเรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับไม่ใช่มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วเป็นผู้เที่ยงอยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้จริงๆนี่ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูลงไปสรุปนะสรุปพวกเราต้องถือศีลห้าตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนศีลเบื้องต้นเนี่ยใช้ความตั้งใจ อาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้านะท่านบอกให้รักษาศีลตั้งใจรักษาไว้ก่อนอาศัยกําลังของศรัทธาถัดจากนั้นเนี่ยเราฝึกสติของเรานะโดยการฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันนะเวลาจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะหรือถ้าดูจิตเคลื่อนไม่ได้ดูอะไรออกก็เอาอันนั้นแหละในรูปธรรมนามธรรมใช้ได้เหมือนกันหมดนะจะเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกก็ได้นะจิตเคลื่อนไปรู้สึก จิตตั้งมั่นรู้สึกอะไรก็ได้นะอยู่ในรูปธรรมในนามธรรมของเรานี่แหละใช้กรรมฐานแบบนี้คอยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปด้วยใจที่สบายๆใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นอย่างถ้าเราหัดรู้ลมหายใจจนชํานาญจิตจําสภาวะของการหายใจได้พอเวลาเราเผลอตัวนะเผลอไปแวบเดียวลมหายใจเปลี่ยนจังหวะอย่างเวลามีราคะเกิดเนี่ยลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะโทสะเกิดลมหายใจเปลี่ยนจังหวะ สติมันจะระลึกได้ทันทีเลยมันจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยเ น, นี่ยฝึกไปทุกวันต้องฝึกนะฝึกให้มันมีสติให้จิตใจมีอยู่กับเนื้อกับตัวนะยิ่งถ้าเห็นจิตที่เคลื่อนได้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าถ้าเคลื่อนได้สมาธิจะเกิดทันทีถ้าเห็นจิตมีโทสะโทสะดับเนี่ยสมาธิตัวจริงๆบางทียังไม่เกิดนะตัวที่ตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆแต่ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตที่ไม่เคลื่อนมีจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต้องอัตโนมัติถึงใช้ได้ถ้าจงใจ ไม่ได้จะแข็งเกินไปนะเป็นผู้รู้ปลอมมีโลภะแทรกอยู่มีราคาละเอียดนะราคาของโฟล์มแทรกอยู่แลค้ค่อยๆฝึกรู้ทันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไปนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้สติก็จะเกิดนะสมาธิก็เกิดศีลก็มีอัตโนมัตินะไม่ต้องทําผิดศีลแล้วไม่ต้องอารัธนาศีลแลมันไม่ผิดเองนหะและปัญญามก็เกิดนะบางคนพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ย จิตมันถนัดดูกายมันไปดูกายมันก็จะเห็นว่ร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายมีแต่ครองมันคับไม่ได้บางคนมันตั้งมั่นขึ้นไปแล้วจิตถนัดดูจิตมันก็จะวกกลับไปนะเห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไร้ยจิตใจนี้มีแต่ความเป็นอนิจจงมีแต่ความเป็นอนัตตานะจิตนั้ดูให้เป็นตัวทุกข์ยากนะเดี๋ยเฉพาะถ้าเป็นจิตผู้รู้แล้วมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูแล้วไม่ค่อยเป็นตัวทุกข์หรอกนะ นีราภาวนาไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้น ะ, จะเจริญปัญญาไปสติระลึกรู้กายเราก็เห็นนะมีแต่ของไม่ดีของไม่ได้วิเศษอะไรเราลึกรู้จิตเห็นแต่ของไม่ดีไม่วิเศษมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งที่มันพอนะเมื่อพลังของจิตมันพอบารมีเราเต็มพะละมันเต็มจิตมันจะมีพลังขึ้นมาจริงจริพลังแห่งศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเกิดเป็นพลังแล้วมันรวมตัวลงที่จิต คนที่จิตมีพลังกับคนที่จิตไม่มีพลังเนี่ยมองหน้าก็รู้แล้วละ่ะคนจิตไม่มีพลังนะมันเหมือนมีถังรั่วแถมรั่วเยอะด้วยไม่ใช่รั่วรูเดียวรั่วรั่วหลายรูนะเติมน้ําลงไปลิตรหนึ่งไหลออกสองลิตรเลยนะใช้ไม่ได้แต่จิตที่มีพลังมันเหมือนถังน้ําที่แข็งแรงไม่รั่วเราค่อยๆสะสมพลังของจิตขึ้นไปนะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยค่อยๆอบรมค่อยๆรวมตัวลงที่จิตดวงเดียว เมื่อมันรวมตัวลงเต็มที่แล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคจะเกิดเองแล้วเวลาที่อริยมรรคจะเกิดไม่ได้ตั้งใจให้เกิดงั้นหลวงพ่อสอนเราเนี่ยนะมีแต่สติสมาธิปัญญาศีอะไรนี่อัตโนมัติหมดเลยเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดเกิดอัตโนมัติไม่มีใครสั่งให้เกิดนะถ้าเราจําล่องรอยของการเกิดอริยมรรคได้นะพอมันเดินแนวนี้ปุ๊บเรารูอุ้ยเดี๋ยวจะเกิดละตกจาก วิปัสสนาเลยตกจากกรรมฐานเลยใจจะฟุ้งซ่านทันทีใช้ไม่ได้รักษาศี่ห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนือกับตัวแล้วรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาไม่บังคับฝึกอย่างเนี้ยกรรมฐานง่ายๆแต่ถ้าไม่ถนัดกรรมฐานอื่นก็ได้นะใช้หลักเดียวกันคือคอยรู้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตไปพุโทโธเรารู้ทันจิตหายใจเรารู้ทันจิตฟองยุบเรารู้ทันจิตขยับมือเรารู้ทันจิตรู้อย่างที่จิตเป็น แล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดถ้ามันเกิดพอแล้วนะอริยามรรคจะเกิดเองจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธนะิอาริยามรรคไม่เกิดในขณะจิตแบบคนธรรมดาอย่างเนี้ยอริยามรรคจะเกิดอยู่ในฌานทั้งหมดเลยนะเวลาที่อริยามรรคจะเกิดจิตจะเข้าฌานเข้าของเขาเองถึงเราไม่เจตนาจะเข้าแต่กำลังมันพอแล้วมันเข้าเองทาไมจิตมันเข้าฌาน เพราะขณะนั้นจิตไม่ยินดียินร้ายนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสนะจิตพอใจอยู่ในสภาวะธรรมภายในเท่านั้นเองจิตไม่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะเท่าไหร่ที่เรียกว่ากามคุณอารมณ์เมื่อจิตไม่เอากรรมจิตรวมเข้ามาในอรูปฌานนั่นะจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติและอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะมันมีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดนะกระบวนการนี้หลวงพ่อไม่เล่าเดี๋ยวพวกเราก็จํา แต่ความจริงเล่าไปหลายรอบแล้วบางคนพยายามจําแต่จําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะจุดสําคัญไม่ใช่ตอนที่เกิดอริยมรรคนะจุดสําคัญตรงที่ว่าเมื่อเกิดอริยมรรคแล้วเนี่ยถอยออกมากลับสู่ภาวะของมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยทดสอบตัวเองได้ไหมทําไงอ่ะบางคนนะนั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมจิตรวมวู่ไปไม่คิดว่าบรรลุแล้วะบรรลุอะไรกิเลสยังอยู่แต่ว่าทําไมดูแล้วไม่มีกิเลสเลย เจิตไปติดล็อกนิ่งๆอยู่นะส่วนใหญ่เลยนะที่ภาวนาเราเพี้ยนเพี้ยนนึกว่าบรรลุมรรคผลนะจิตไปติดสภาวะที่นิ่งๆว่างๆอยู่แล้วบอกไม่มีกิเลสอ๋อตรงนั้นไม่มีกิเลสหยาบแน่นอนเพราะจิตไม่ได้เอาอะไรเลยจินทรงตัวอยู่เฉยๆต้องสังเกตตอนที่จิตอยู่ในภาวะปกติเฉะนั้นบางทีบางคนจิตล็อกนะไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านแก้ให้นะนึกว่าตัวบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะ ครูบาอาจารย์ใช้วิธีสารพัดเลยบางองค์ด่าเลยนะด่าให้โมโหพอโมโหเท่านั้นไอ้ที่ล็อกอยู่หลุดเลยเคลื่อนแล้วเคลื่อนก็มองเห็นกิเลสขึ้นมาอีกแล้วงั้นบรรลุมากผลแล้วเนี่ยเราสังเกตที่ไหนสังเกตที่ใจกิเลสตัวไหนที่ละแล้วกิเลสตัวไหนที่ยังอยู่ต้องสังเกตดูแต่การสังเกตกิเลสนั้นต้องสังเกตด้วยใจที่เป็นปกติของมนุษย์ธรรมดาอย่าเอาจิตของพลมมาส่งไว้แล้วก็บอกว่าสังเกตไม่เห็นการมราคะ ไม่มีหรอกขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ละกามแบบผ้านาคานะละเพราะว่าจิตไปล็อกจิตไปติดอยู่ในภูมิผงฟลมเ น, นี่ยค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ฟังหลวงพ่อครั้งเดียวก็ยากเหมือนกันไปฟังซีดีอีกมีซีดีแจกนะซีดีไม่มีไปดู y o u t u นะมีเยอะแยะเลยไปดาวน์โหลดฟังเอานะคนที่ฟังๆแล้วได้ดีมานี้มีนับไม่ถ้วนแล้วละเยอะแยะเลยนะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะ เพราะว่าตัวเองอเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นๆนี่แหละงั้นหัดรู้หัดดูไปอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างก็แล้วกันรักษาศีลห้าไปเอาละละเท่านี้ก็พอละการทำพิธการเจ้าคะ่ะเคยไปส่งการบ้านที่ศ า, าลาลุงชินเจ้าคะ่ะเมื่ อ, อทันวาห้าเจ็ดก็ได้มานหนิดนึงตรงที่ว่าต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง ถึงจะรวบรวมบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ย ใ, <ช>ให้ใหใหห้้ได้ที่ดีต<ช>อนนี้ก็ไปปฏิบัติใหญ่เลยประมาณว่าไปเดินจงกรมไปภาวนาในรูปแบบนะคะเดินจงกรมทั้งนั่งก็หลับแล้วก็มาเรียง <c oughs> ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเคลื่อนไหว <c oughs> ที่ไม่ซ้ําๆตอนนี้กลับมาก่อนเข้าพรรษาก็มาก็ดอีกอันหนึ่งว่านั่งนั่งภาวนาในรูปแบบดูดูร่างกายหายใจมาเข้าใจคําว่า ดูร่างกายหายใจเช้าค่ะก็เริ่มมีวินัยในการปฏิบัติมากขึ้นคราวนี้ก็ ถ, ถึงตรงจุดที่ว่าพอนั่งนั่งไปแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นเจ้าค่ะปกติมีเวทนาก็จะนอนเลยเจ้าค่ะเพราะหลวงพ่อบอกว่ามันหลวยถ้วยถ้านั่งไปมันนั่งไปไม่ได้เรื่องก็ไม่ควรจะนั่งไปนอนดีกว่าหนูก็ทำประมาณนั้นตอนนี้เมื่อครั้งล่าสุดนี่พอนั่งปุ๊บเห็นเห็นเวทนาแล้วจิตมันเคลื่อนไปที่ ท, ที่เวทนาแล้วก็นั่งดูว่ามันมันไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ส่งจิตไปมันก็ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นมันก็แท้ขึ้นมาในร่างกายของเรามันก็อยู่คนละส่วนนะเจ้าค่ะอันนี้<ข>ก็แยกไปนะ่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้จงใจแยกนะเจ้าค่ะเราะมันแยกเองมันแยกด้วยความรู้สึกมรู้ว่ากายเขาไม่ใช่จิตนะเวทนาก็ไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่กายด้วเป็นอีกสิ่งหนึง่ง แล้วเราก็ดูเขาทำงานไปด้วยใจที่ปกติขณะนี้ใจไม่ปกติดูออกไหมใจซึมกว่าปกติดูออกไหมไปกดกดเอาไว้เจ้าค่ะใชอ่อย่าไปกดมันอย่าไปกดมันใจที่กดกดมันเครียดรู้สึกไหมเจ้าค่ะจีตที่เครียดเป็นอังกุศลจิต น, นะเจ้าค่ะตอนอยู่บ้านมันไม่เท่านี้อเจ้าค่ะแล้วเวลาที่ทํากรรมฐานอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าไปน้อมจะให้สงบอะถ้าน้อมลงไปมันจะซึมไม่ดี ให้มันรู้สึกตัวเหมือนเปิดสวิตตื่นขึ้นมาให้ได้เลยไม่น้อมให้ซึมนะเจ้อะอย่างติดกันน้อมให้ซึมนิดหน่อยเนื้อรู้สึกไหมไปรวบเข้ามาแล้วก็จะซึมๆไปรู้สึกไหมอ้าว่ามากราบนุสการหลวงพ่อค่ะทรงนี้รู้สึกว่าใจมันหนักๆใจอะไรนะใจมันหนักๆไม่ทราบว่าตั้งใจมากไปหรือเปล่าคะใจมันหนักก็ให้รู้เอา ถ้าไม่ชอบที่ใจหนักก็รู้ว่าไม่ชอบใจจะหนักหรือใจจะเบาก็เท่าเทียมกันอยู่สิที่ว่าเรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่าของคุณตอนเนี้ดูเข้ามาถึงความเป็นกลางได้ละะพอเราเห็นสภาวะและขันมันแยกได้และขันมันแยกมันก็เห็นขันทํางานนะอย<ช>ู่ที่ว่าถ้าเห็นด้วยใจที่เป็นกลางใช้ได้ถ้าใจเป็นกลางเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนัคือภูมิของสมาธิในสติปัฏฐาน สมาธิของสติปัฏฐานเนี่ยก็คือความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายตอนนี้ยังมียินดียินร้ายเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะกรรมราชการหลวงพ่อค่ะปีนี้มาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วทํำยังไงรู้ค่ะเออหูรู้ใจได้จําได้คนนี้อ่ะปีที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปเอพยายามท่องสึกไหม ต้องเมตตาเยอะๆค่ะเพราะหนูเป็นคนโกรธง่ายอวันนี้ดีก็พยายามแล้วอะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามหลวงพ่ออะค่ะก็คือเวลาที่หนูรู้สึกโกรธอะค่ะหรือว่าเจ็บใจอ่ะค่ะความรู้สึกมันเหมือนหนูยังรู้สึกว่ามันเนี่ยมันเจ็บใจอะค่ะมันไม่ไม่ห้ามไม่แยกออกมาไม่ห้ามนะดูไปอย่างนี้เลยว่ามันสุขหรือมันทุกข์ดูเข้าไปต่อไปเราจะพบว่าทุกคราวที่โกรธใจเราทุกนะเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เราทุก สงสารเนี่ยตัวนี้เมตตามห้ตัวนี้บ้างตัวนี้มีความทุกข์เมตตาตัวเองเลยเยอะเยอะขอบพระคุณค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยผิดนะจิตมันซึมลูกรู้จักหลวงพ่อเรือยๆไม่ได้นะลูกรู้จักหลวงพ่อจากหนังสือนะคะหนูอ่านตอนปีห้าสองค่ะ หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขียนหนึงเสือเลื่มเล็กๆ เ, เล่นมือมันเหมือนในใจของลูกมันเหมือนความรู้สึกว่าลูกได้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคิดว่าอยากจะไปหาท่านแต่ก็ไม่ได้ไปเล ย, ยนจนปีห้าสี่ก็ท่านหลวงท่านหลวงตามาหาลูกก่อนท่านจะละขันหนึ่งอาทิตย์ค่ะท่านบอกกับลูกว่าลูกปฏิบัติ ดีแล้วปฏิบัติต่อไปซึ่งไม่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยลูกก็เลยได้แต่ปฏิบัติที่บ้านไม่เคยมีสํานักที่ไหนมีแต่องค์พระเจ้าภาพค่ ะ, คะแล้วก็เพื่อนก็เอาหนังสือภาริยเจ้าหลวงตาบัวมาให้หลวงปู่ดุลค่ะลูกก็ได้อ่านแล้วก็เข้าใจเหมือนก็เหมือนว่าเข้าใจค่ะแล้วก็ได้ทําจนปีปีห้าห้าเหมือนกับว่าอ่านหนังสือผู้รู้ที่หลวงปู่ดุลท่านพูดนะคะ่ะก็เข้าใจ ก็พอปีห้าแปดความรู้สึกนี้ปีห้าแปดท่านก็มาตอนมีนาหลวงปู่ดูลท่านก็มาบอกกับลูกว่าลูกทำลูกทาถูกแล้วแล้วก็ทำทาจะสิ้นสุดค่ะ <c oughs> แล้วก็ภา ย, ภายในอีกหนึ่งเดือนหลวงปู่หลวงตาบัวมาพร้อมกัน <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ให้ลูกกราบ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นลูกก็ จริงจหนังพุทธเจ้าเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีนารูปไม่เคยดูเลยอรูปมาดูพรุทธเจ้าสเกตอนที่ใกล้จะจบเนี่ยค่ะหยุดซิหยุดหยุดพูดก่อนสังเกตไหมขณะที่เราพูดเนี่ยเราเพลินไปเรื่อยๆค่ะหนูไม่ได้เผลอค่ะรู้สิ่งที่ตัวเองพูดจะรู้หลงค่ะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังปุ่มแต่ไปด้วยใช่เห็นมขณเนี้ยลืมรูปนามแล้วตกจากการรู้อารมณ์รูปนามแล้ว เราเป็นลงอยู่ในอารมณ์ปัญญัตินะลงบััญญติตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วบางทีนิมิตอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนิมิตเกิดขึ้นเห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเป็นแค่กําลังใจะตัวสําคัญคือการมีสติรู้รูปรู้นามของเราให้มากๆอย่างนี้ลูกขอเล่าส่วนตัวได้ไหมคะยาวๆนะค่ะได้ค่ะที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกอยากให้หลวงพ่อพูดถือว่าจริงๆแล้วนักขณะจิตตอนนี้นะคะหมายถึงว่าก่อน หลาๆตั้งแต่ดูพระเจ้าค่ะจะริงจิตดวงนี้นะลูกเองอะเวลาทํางานเวลาที่ทําอะไรลูกจะรู้ตัวแต่พอเสร็จจากการรู้ตัวไม่มีอะไรสมมุติต้องพูดคุยอะไรกับใครหรือไม่มีอะไรลมหายใจเนี่ยลูกก็จะมีอยู่ของลูกโดยที่ลูกจะรู้ว่าลมหายใจมันทํางานของมันเองโดยธรรมชาติโดยที่ทํางานธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้หรือเวลาคุยกับหลวงพ่อ ถ้าอย่างนี้นะคะจิตดวงนี้มันก็จะเหมือนกับเรากําลังพูดอยู่แต่อตัวที่มันอิ่มอยู่ในข้างในไม่เอาค่ะมันก็เป็นของมันเออมันเป็นของมันมันแยกออกแต่พูดรู้เรื่องออแต่อที่ตรงนี้รู้มันก็เป็นส่วนของมันไย่อาไปรักษามันค่ะลูกจะไม่ได้รักษ า, าตรงนั้นแต่รู้เรื่องให้กันบ้านนะค่ะพยายามฝึกจิตให้มีสติมากๆให้จิตใจเนี้ยอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะกว่านี้อีก นะกำลังไม่พอใจมันจะฟุ้งเก่งตรงที่พูดพูดที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะนี่พูดกันตรงไปตรงมานะจิตย่างฟุ้งซ่านอยู่นะมันจะไหลคึกคึกคกคกไปอย่างนี้นะถึงเราจะเห็นอย่างนี้นะแต่เราปล่อยเราปล่อยให้มันไปอย่างนี้ไม่ดีนะพยายามรู้สึกตัวให้เข้มแข็งกว่านี้ไม่ให้จิตหลงไปรู้สึกหายใจซิหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกเออรู้สึกบ่อยๆ เ่อต้องอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมใจกระชอกละวดูออกเปล่าอย่าให้มันเปรตอย่างนี้ไม่ดีนะะเจ้าอย่างนี้หลวงพ่อครางเวลาเป็นเรื่องเล่าไม่เคยได้ยินยกไม่หน่อยถ้าเป็นเรื่องเล่าอะคะหมายถึงว่ากําลังเล่าไปในสิ่งที่ตัวเองเป็นอดีตตกไปในอดีตเนี้ยคะเราเล่าเป็นสิ่งที่เป็นอดีตถือว่าหลงไหมคะถ้าในจิตเล่าไปตามอดีตแต่ละคนไม่เหมือนกันพูดประโยชนเดียวกันนะคนหนึ่งหลงอีกคนนึงไม่หลง แต่ของคุณหลงคือพูดแล้วลงใช่มใช่ใช่อย่าโปรยกันนะหนูงพ่อเลยน้าที่ตรงไปตรงมาลูกสีตรวจไปเยอะแล้วพรอไม่โอหลงปฏิลมหนูไม่เป็นค่ะแล้วอย่างนี้เป็นว่าหนูต้องยังไงค่ะหนูต้องฝึกให้สติดีกว่านี้จิตยังฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปโดยเฉพาะขณะที่พูดเนี่ยขาดสติจะต้องให้ความรู้สึกตัวแนบแน่นกว่านี้หน่อยรู้สึกตัวเข้มแข็งกว่านี้อ่อนไป นะแล้วเวลาที่เรานิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็แค่ว่ามีกําลังใจนะอ อ, อย่าไปหลงยินดีว่าเจอท่านจริงๆริงภาวะของท่านถึงปรินิพพานแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกมันไม่ได้ไปอยู่ท่านไม่ได้ไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งนะสภาวานะนั้นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยกระจายตัวคล้ายๆสลายตัวออกนะเืิดเข้ากับ น, นิพพานเป็นอันเดียวกัทํารมจิตกับธรรมเกิดเข้าด้วยกัน เป็นเดียวกันไม่มีขอบเขตไม่มีจุดดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมางั้นส่วนที่จิตของเราภาวนาเนะ่ถ้าจิตมีคุณภาพพอนะถ้าจิตที่มีคุณภาพพร้อมไปกระทบพลังงานตรงนี้ได้จิตก็จะถ่ายทอดสร้างนิมิตขึ้นมาแต่ของคุณไม่ใช่นะอันนี้จิตมันสร้างขึ้นมามันไม่ได้ไปกระทบนิพพานจิตมันสร้างอย่าเชื่อนะเอออย่าให้ฟุ้งก็แล้วกันต้องไม่ให้ฟุง้งอ่ะ กรามน้ำมัศการค่ ะ, ะหนูใช้ถ้าเกิดว่าเดินหนูก็จะใช้แค่แคดูกายดูการสัมผัสของเท้ากับพื้นแต่ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิก็จะใช้ว่าภาวนาพุทโธแต่ว่าช่วงสักสองสามวันนี้หนูรู้สึกว่าข้างในมันเป็นก้อนๆแข็งๆรู้สึกมันแน่นเมือ่ออย่างเมื่อคืนหนูก็เลยไม่ได้ ปฏิบัติในรูปแบบเพราะว่ากลัวว่ามันจะเพ่งมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอยากจะกราบขอคําแนะนำหลวงพ่อว่าควรจ ะ, ระทำย<ร><ห>ังไงถ้าไม่ได้จงใจก็ไ ม, ไ, จจมไม่แน่นหรอกคอยรู้ทันสบายๆจงใจปฏิบัติเยอะอึด น, นัดสังเกตไหมไอ้ก้อนเนี้ยเกิดได้เองแน่นมากบ้างแน่นน้อยบ้างรู้สึกไหมแน่ดูไปไม่ใช่เรา แล้วหนูยังปฏิบัติในรูปแบบได้ไหมคะหรือว่าหนูควรจะทํายังไงดีอะคะปฏิบัติอะไรเดินนะในในรูปแบบอะคะ่ะ อ, อย่างเดินจงกรมนั่ น, นเดินให้ดูได้ไหมเดินบนนี้แหลนะะไม่ต้องกลัวหรอกกรรมฐานกลัวคนทําไมเราก็เดินเราก็คิดว่านี่ยต้นไม้กําลังเดินอยู่ในป่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยต้นไม้มันแค่มันหัวล้อดได้เท่านั้นแหละแล้วต้นไม้นั่นแหละอย่างเวลาเราหมุนตัวเนี่ยจิตมันหลงไปเราก็รู้ว่าหลงไป ถ้ามันหลงเราก็ยืนนิดหนึ่งก่อนรู้สึกก่อนแล้วก็เดินนะเราเดินเนี่ยเดินเอาคอารู้สึกตัวไปแต่ไม่ได้เดินเพ่งนะเดินรู้สึกตัวสบายๆเดินไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตมันไหลไปเรารู้นะฝึกอย่างนี้ได้่อยใช้ได้ที่มันแข็งๆอยู่นิดแต่อย่างหนูตื่น<จ>ขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่ามันแข็งเลยตอนเช้าแล้วเเดี๋ยวและอย่างนี้หนูจะเดินก็ยังเดินได้แต่ให้รู้ให้รู้ทันตัวนี้เกิดจากโลภะ นะเกิดจากโลภอยากดีก็อยากดีเมื่อรวมมาเป็นก้อนค่ะนะฉันก็ภาวนาพุโทโธตอนนั่งเอาได้อยู่เนาะเาเดินนะอย่าพยายามให้จิตไปอยู่ที่เท้านะรู้สึกตัวสบายสบายรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนั้นเรื่อยๆหรือเดินเดินไปจิตใจหนีไปรู้ว่าจิตใจมันหนีจิตใจไม่ใช่ตัวเรา ดูตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวเราบ่อยๆเราเป็นพวกปัญญากล้างั้นดูหน้ตาตาร่างกายที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราเดินจิตที่หนีไปคิดไม่ใช่เราคิดดูอย่างนั้นบ่อยๆนี่หลงอีกแล้วเห็นไหมเอาแต่ปลื้มจิตมีปิติต้องรู้ว่ามีปิตินะให้ปิติครอบจิตไม่ได้กลับนัมัสการหลวงพ่อนะคะก่อนอื่น ลูกต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อทั้ง YouTube และกอ่านหนังสือล่าสุดนี่เนื่องจากตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วได้สมากรกมฐานพราะความว่างมาเป็นเวลา3ปีแล้วเมื่อวันที่27เดือน9ได้ไปฟังธรรมหลวงพ่อที่โรงแรมเอทัสแล้วรู้สึกว่าหลวงพ่อได้บอกให้สิ่งที่ตัวเองต่อ ย, ยอดได้คือจากการเพ่งประคองจิต แล้วหลวงพ่อบอกว่าปล่อยให้จิตไหลหลังจากวันนั้นมาเออหนูก็ปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วมีคำถามว่าสมมุติว่าปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันปรากฏว่าเราแก้ไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกแต่พอไปนั่งสมาธิในวันรุ่งเช้าอยู่ดีๆพอออกจากสมาธิมันจะมีคำตอบออกมามากมายจนจดไม่ทันอันนั้นเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาหรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญญาโลกโลกนะเป็นกลไกของจิตนะ จิตมันมีความสงบเพิ่มมามันก็คิดแก้ปัญหาได้เราไม่ต้องคิดหรอกจิตมันคิดได้เองเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญญาในธรรมนะปัญญาในธรรมคือต้องตามรู้ใจปัญญาในธรรมได้เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยเป็นในทางโลกสมาธิก็ทําให้เกิดเหมือนกันอแล้วอันนั้นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติทุกครั้งที่เกิดสมาธิมไม่ใช่ภาวนาไมยับปัญญสั่งไม่ได้นะข้าสั่งไม่ได้มันไหลมาเอง มันไม่ใช่ปัญญาที่จะพ้นทุกข์แต่เป็นปัญญาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขจะได้ไม่ใช่ภาวนาเมยะปัญญาเช่นเดยคกันเออโอเแต่เป็นปัญญาทางโลกทีนี้อ่านคำถามต่อไปคื อ, อหลังจากที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วหนูได้อ่านเรื่องนาทีทองสังสารวัฏที่วันนั้นแจกหนูก็ไปปฏิบัติตามหลวงพ่อแล้วก็เปิดยูทูบทุกเช้าแล้วหนูก็ตามรู้จิตที่เคลื่อนตามทีม่พ่อบอกจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยหนู รู้ว่าจิตหนูาตามรู้อานาปนสติรู้ลมหายใจแต่หนูได้ยินเสียงหนูกรนคลอกอย่างเงี้ยถูกอย่างนี้เรียกว่าแยกกายแยกจิตหรื อ, อยังคือร่างกายอะมันหลับแต่จิตมันตื่นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแยกกายแยกจิตไม่ต้องให้ร่างกายกรนคลอกหรอกนะนั่งอยู่นี่มันก็แยกได้ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> แต่หนูไปรู้ตอนหนูหลับไม่หนูหนูรู้ตอ น, น, นที่หนูฝึกกับหลวงพ่อนะบางคนบอกเฮย้ยหลวงพ่อประมวษตรสอนแต่ดูจิตไม่ให้ดูกายไม่จริงหรอก ร่างกายตอนเราหลับนะร่างกายกลนเรายัางรู้เลยใช่ไม้มร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดแหละคือหนูตกใจตอนหนูได้ยินเสียงหนูกกลนะท<อ>ั้งที่หนูก็บอกว่าเออเออหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆใบเบาสบายสบายแล้วเมียแล้วเมียแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงกลนเอ๊ะตกใจเอ๊ะทาไมเรามาได้ยินเสียงกลนตัวเราเองก็ถูกแล้วเนี่เรามีหูแล้วก็ปากมันกลนเราก็ได้ยินสิใจ <c oughs> มันตื่นอยู่โอเคค่ะงั้นหะนูจะถามว่า จากนี้ไปหนูควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรปัจจุบันหนูคือตามรู้จิตที่เคลื่อนทั้งวันสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏิรู้ได้สลับกันไปแต่รู้บ่อยๆอ่าแล้วจากนี้ไปหนูจะไปเจออะไรอหลวงพ่อเจออะไรถ้ารู้บ่อยๆแล้วจากนี้ไปหนูจะรู้ KPI จิตหนูได้ยังไงว่าเออตรงนี้มันก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างนี้มันรู้ตัวเองแหละอ๋อจะรู้สติมันจะดีขึ้นไหมจิตตั้งมั่นขึ้นไหม เห็นความจริงของรูปนามมากขึ้นเปล่านถ้าเห็นจริงนะทุกก็สั้นลงทุกก็น้อยลงอ๋แต่ปัจจุบันทุกบรรเทาลงไปได้เยอะเลยค่ะอืความโมโหความโลภอะไรลดลงไปอย่างมากถ้าว่าทุกนะมีหลายทุกนะค่ะทุกที่หนูว่าบรรเทาเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาค่ะมันมีทุกอีกหลายชนิดทุกในใจรักกอทุกในใจรักนะไอ้นั้นยังไม่เท่าไหร่นะทุกที่สุดยอดเลยที่ว่ารู้ทุกรู้ทุกอันนั้นคือทุกขสัตย์ ทุกข์สัตริย์เนี่ยคือการรู้ความจริงรูปนี้คือทุกข์นามทั้งหลคือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันทุกข์โดยตัวของมันเองอันนั้นคือ KPI อันต่อไปใช่ไหมทุกข์ในตอนจุดสุดท้ายเคจุดสุดท้ายของการปฏิบัตินะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่ออย่าใจร้อนนะเจะเอาให้เยอะๆอย่ารีบร้อนรอนาสบายๆวันนี้ตื่นเต้นนานแล้ มัสการหลวงพ่อตื่นเต้นก็ไม่ได้รู้อะไรเขาบอกว่านามัสการหลวงพ่อตื่นเต้นหลวงพ่อชื่อปลาโม่ต่างห า, ากก็ตื่นเต้นนะค่ะและ้วก็ก็ไม่ก็ไม่ได้รู้อะไรพิเศษก็เห็นวันๆก็เดียวไปใจไปอยู่หลวงพ่อทั้งวันเดียวใจอยู่วันนี้ใจอยู่วันนั้นนันก็ ด, ดึงค่ะสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ขันมันแยกแล้ว ขันเป็นแยกได้แล้วขันภานาเนี่ยไม่ค่อยใช่ยากแล้วละทีนี้ตอนที่ขันที่เห็นขันนะคะ<ม>ก็จะพอมันจะแค่หนึ่งนาทีนะคะหลวงพอ่อแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เผลอไปแล้วมันก็จะเห็นแบบเห็นการเคลื่อนไหวว่าใจมันวิ่งไปวิ่งไปทีนี้ประเด็นที่ทําแป๊บหนึ่งก็เหนื่อยอแล้วแล้วก็ไปเผลออะไรเงี้ยะคะ่ะมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเราก็ทําสมาธิที่ทพักของนักปฏิบัตินะทําสมาธทําสมาธอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ไป ไม่เคยชอบหรือจะพระเจริญเมตตาทำได้ไหมไม่ได้ไม่เอาอีกเนอะหายใจไม่เราถือไม่เคยชอบแบบชอบชอบดูสติแต่แบบว่าชอบอะไรก็ชอบคิดค่ะแต่ว่าชอบคิดแต่ว่าพอดูสติมันก็จะรู้ว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่างนั้นมันไม่ได้พักถ้าคิดเนี่ยนะคิดเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้คิด คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วนะนะคิดถึงคนดีๆคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจแตถ้าจะคิดได้คิดเรื่องพวกนี้ือคิดเรื่องสเปซสปามันจะได้มีกำลังใช่ไม่งันใจมันจะฟุ้งเพราะว่าขันปั๊บเดียวมันก็เหนื่อยนั่นแหละไม่มีแรงะสมถะต้องทานะ อยากข้ามพบข้ามชาติได้ใจไม่มีแรงไปข้ามได้ไงแค่ข้ามท้องล่องก็ข้ามไม่ไหวแล้วไม่มีแรงแต่ที่ดูอยู่ก็เป็นแบบนี้ดูไปเลยขันอะแยกแล้วล่ะแต่ว่ากําลังไม่พอขอบคุณค่ะครับผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนี่ก็อย่าปลื้มนักนะเราะ่าะตอนนี้ดีกว่าแต่กี้เมื่อกี้โดดปีติมันครับงับครับต้องกราบขออนุ ญ, ญาตนะครับพอดีว่ามีคําถามที่ต้องการที่จะ สอบถามหลวงพ่อนะครับอีกสองคำถามนะครับพอดีว่ามีคนส่งคำถามขึ้นมานะครับว่าหน้าทีเวลาโกรธเราก็เห็นความโกรธกำลังโกรธอยู่แต่เราก็หยุดความรู้สึกโกรธต่อไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่ากำลังโกรธและแสดงคำพูดโกรธออกมาเรื่อยๆขอสอบถามว่านาทีนั้นเราจะหยุดความโกรธได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่ายังมีสติรู้รู้ตัวโกรธอยู่ใช่ไหมครับไม่มีหรอก ถ้ามีสติมันความโกรธมันอยู่ไม่ได้นั่นรู้ไปอย่างนั้นอ่ะรู้ไปเราคิดไปสังเกตให้ดีความโกรธมันมาจากเหตุของมันนะกระทบอารมณ์ไม่พอใจแล้วเราตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจคือพยาบาทวิตกตราบใดที่พยาบาทวิตกยังอยู่ความโกรธก็ยังอยู่นะขนาดนั้นไม่ได้มีสติจริงอนะ่ะนานๆแลบไปเห็นทีหนึ่งแล้วก็ถูกพยาบาทวิตกครอบงําต่อจิตนะมันตกจากการมีสติอย่างรวดเร็วไป มันไม่พอเพราะมันตรึกใหม่โทสะก็เกิดขึ้นใหม่นะพอเรารู้ทันว่าโกรธโทสะดับเ่้ยตรึกอีกโทสะเกิดอีกก็เลยนึกว่าเห้รู้ตัวไปโกรธไ ป, ไปคนละขนากันนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าสติจริงๆเกิดนะไม่มีโกรธหรอกครับผมแล้วขออีกคำถามหนึ่งนะครับทำไมเวลาไปฝึกกับครูบาอาจารย์ทาไมจิตถึงนิ่งได้หรือไม่ฟุ้งซ่านเลย แต่เวลาฝึกอยู่ที่บ้านจิตฟุ้งมากเลยค่ะนั่นแหละดีที่ผ่านมารู้สึกว่าจิตถูกตัวเองกดข่มไว้อยู่เออนั่นแหละดีแล้วละ่ะที่รู้อ่ะนี่ไปข่มมันเวลาเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ก็กลัวนะกลัวก็เลยบังคับตัวเองคุมตัวเองอยู่ไม่กล้าซานะเนี่อเวลาอยู่บ้านซาเต็มที่ใจหนีหนีหนีนครับต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ น, นะครับที่ได้เมตตาแสดงธรรมแล้วได้เมตตา ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้พวกเราทุกคนได้รับฟังนะครับลำดับต่อไปนะครับพวกเราจะร่วมกันนะครับถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อนะครับรากับผมก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับนำกล่าวคาถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายาธรรม พร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ออนนแด่หลวงพ่อปราโมทปราโมโชอโมขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, พรบเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวรตราบสิ้นกาลนานเทิน แล้วก็ก่อนจบการแสดงธรรมในช่วงนี้นะครับขอทุกท่านนะครับได้กราบหลวงพ่อพร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบกราบกราบ